ภวนาที่พวกเราประกอบหรือกระทานี้เป็นหลักปฏิบัติเรื่องก็ปฏิบัติเป็นโุบายวิธีสำหรับที่จะข้ามพ้นจากชาติราพยาธิมรณนะที่พุทธเจ้า ว, วางไายถือข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความสุขข้างหน้านั้นว่าโดยย่อก็มีบุณกียวัตถุสาบคือธานะไมศีรมไมและภาวนาไม ที่พวกเอาปฏิบัติเอาภาวนาใหมา่เน้นภาวนาใหมา่ทานาไม่พวกเราก็เอาศีลใหม่ก็เอาถ้าภาวนาใหม่ก็ต้องเอาแล้วในหลักภาวนาใหม่นี้เป็นการปฏิบัติหรือเป็นการกระทําให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นไม่ใช่เป็นการทรงจํา ทรงจําว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นสติไปอย่างนั้นสมาธิเปอย่างนั้น ป, ปัญญาไปอย่างนั้นจำอย่างนั้นอันนั้นความจำความจํามันก็เป็นทางให้ปฏิบัติแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นมีที่ใจถ้ามันไม่เกิดมีขึ้นที่ใจแล้วก็มันก็ละถอนปล่อยวางอะไรไม่ได้ความหลักที่พุตี ของท่านที่ได้บรรลมุมรควนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนประชาชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนะมันเกิดขึ้นในจิตนุ่นเกิดขึ้นเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งฟองมีความดับเป็นธรรมดาทั้งที่ท่านเหล่านั้นไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปเรียน ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นมาไดนเรียนนะแต่ว่าปรากฏผุดขึ้นมาเองผุดขึ้นมาในใจเกิดขึ้นเลยรู้ขึ้นมาเลยถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นผุดขึ้นมามันก็วางมันก็ปล่อยได้ทาไม่เกิดขึ้นในจิตหนึ่งมันวางมันปล่อยไม่ได้นี่ว่าส่วนส่วนหยาบๆของพวกเราทั้งหลายเหมือนกันถ้าสิ่งใดที่พวกเรามองเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ดี มองเห็นไปใจของตัวเองแล้วล่ะเราก็วาะเวนได้ทันทีไม่ทำแล้วถ้ายังสงสัยว่ามันดีหรือไม่ดียังสงสัยมันก็อยากแกทดลองอันนี้คือหลักคำสอนกุฏิจาที่ท่านวางไว้ให้แล้วคือเป็นภาคปฏิบัติกระทาให้เกิดให้มีขึ้นคือให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้น ทีนว่าโดยย่อในภาคปฏิบัติข้างในเนี่วดสติสมาธิปัญญาแต่สินสมาธิปัญญานะเป็นปริยธรรมสินก็หมายั้งสินห้าสินแปดสินสิบถึงสองร้อยิบเจ็ดหรือสินของบรรพชิตสินของกระหัสดินเหนือก็ว่าไปอันนั้นเป็นสิขาสิสินสิขาเราต้องสมาทานกัน การทานเป็นข้อก็แล้วก็รักษาการที่การรักษาก็ไม่ได้รักษาข้อห้ามนแต่รักษากายวาจาและใจคือระวังใจไม่ให้มันไปสั่งการกระทาทางกาย พูดทางวาจาอาการที่ระวังอย่างนั้นเรียกว่ารักษาศีลทานนี้การระวังการราักษามันพังพลาดมันผิดได้มันหลงลืมได้แต่ว่าถ้าชำนาญแล้วก็ดูจะดีหน่อยนึงก็ยังก็พอคุ้มครองได้แต่โดยมากถ้าใหม่ๆแล้วก็ต้องมันผิดได้จึงรู้อย่างว่าพระใหม่บวชใหม่ๆเนี่ยขาบทสองร้อยเจ็ดเอา จะรักษาไหวคมโดยมากกับ ส, สิขาบทที่ที่เคยชินเช่นว่าจะกินในอย่างทุกินตัวอย่างมันต้องให้ประเพณ์นะต้องมีคนเอาให้นะอ่าหรือมีฉะนั้นก่อไปนั่งไปที่ไหนจะไปดึงหญ้าดึงอย่างให้ขาดบุได้ทิศทางนั้นทีถ้าว่ามันไม่คุ้นเคยกันเวลาจะกินในอย่างคว้ามากินเลยเนี่ยแล้วจะหูที่หรอออกมันผิด่ แต่เมื่อพิถีปฏิบัติมานานข่าหนังก็รู้เลยรู้ก่อนแล้วจริงจริงทาอย่างนั้นก็เรียกว่าศีลมารักษาแล้วทีศีลนั้นมารักษากายวาจารหรือไม่ใช่เราเอาใจไปรักษาแต่ว่ามารักษาใจแล้วจรงเพราะมันรู้ข้อปฏิบัติกันก่อน มีโรคพวกเราปฏิบัติกือก็ต้องก็ทำเพื่อให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็อันดับแรกนั่นคือเดจาวี้ข้อแรกเดจาวสอนให้สร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นเชื่อตัวเองให้เชื่อตัวเองแม่ไปเชื่ออย่างอื่นนอกจากตัวเอง กาเชื่อต right. no. ัวเองก็หมายก็ว่าไม่ไปเชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดทายนอกนั้นจะบังบดุลบันดานให้อนากสิ่งสักดิจสิทธิ์ต่างน่าจะมาดุลบันดานให้เราเป็นอย่างนั้นให้มีอย่างนี้แม้แต่จะอ้อนวอนนะอำนาจพระพุทธเจ้าพุทธธรรมประสงค์ให้ขอให้ข้าบไปเจ้าได้สติสมาถ้าเป็นอย่างอ้อนวอนอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นแต่เป็นการตอบยนใจได้แต่พระนั้นอ้อนวอนอำนาจในพระพุทธเจ้าคนธรรมคนประสงค์ขอให้ ใจของขา้าวเจาสงบระงับสั่ ง, งมันเป็นสมาธิมีความรอบรู้ในของสังขารอย่างนั้นคำปฏิฐานที่มีก็เป็นการปรอบโยนใจแทะนะ้ไม่ใช่เป็นสิ่งบันดาลที่ให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าสิ่งเหล่นั้นมันเป็นไปตามออนวันไม่ได้หรืออาศัยสิ่งภายนอกมาบังคับให้เป็นไปไม่ได้ผิดทางทีต้องเป็นสิ่งที่ที่เกิดมีขึ้นเอง ปฏิบัติตามหลักแล้วสิ่งเกิดขึ้นภายในมีสิ่งเกิดขึ้นภายในอย่ที่ฝึกขัดให้ทําสมาธิฝึกสติก่อนฝึกสติก็หมายถึงฝึกใจฝุดใจก็งเราให้อยู่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรื่องอันเดียวอยู่ที่เดียวจุดเดียวฉ <c oughs> ั้นอันดับแรกของเรารักษาสติ สติแปลว่าความระลึกนึกได้อาการที่เราดึงใจของเราเข้ามาสู่ทิศมาไว้ที่จุดตั้งที่หมายอันนั้นเรียกว่าสติตัวสติมีหน้าที่อย่างนั้นนะมีหน้าที่จะต้องประคองให้เข้ามาสู่จุดนั้นถ้ามันแว บ, บไปก็จับมาอีก จนก็จะจําจุดนั้นได้เลย ด, ดีเพราะจำจุดนั้นข่าวนี้ความรู้สึกก็จะติดต่อในจุดนั้นเรื่อยๆเรียกเรียกว่าสัมปญญัจยะทีไม่เรียกว่าสติไงเรียกว่าสัมปัจญะนั้นหลักการปฏิบัติในในสติปัฏฐานนั้นท่านว่าต้องประกอบด้วยองค์สามหนึ่งอาตาปีแปลว่าความเพียรอย่างเกยถ้าหลยร้อนๆสองสัมปชาโน คือมีสติรู้พร้อมสามสติมาให้มีสติแล้วนึกๆอย่าให้หลงลืมถ้ามันหลงไปลืมมันก็ดึงเข้ามาอีก <c oughs> นั่นให้ประคองอลงสามทีนี้ตัวสำคัญไอตัวตัวสติจมีหน้าที่จะต้องต้องทำงานทำงานที่จะประครับประคองถ้ามันวิ่งหนีไปดึงไวอีก อาัตาปีนี่เนี่ยตัวความเพียรเนี่ยความเพียร น, นั้นหมายถึงเรารักษาใจของเราเน่ะไว้ในที่นั้นให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่าให้มันขาดสายเด <c oughs> ี๋ยวก่อนทีนี้อันเบื้องต้นที่จะให้เราขายันเนี่ยที่เราจะให้ใจใสเป็นว า, ายศรัทธาให้เกิดความเชื่อความเชื่อว่าข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัตินี้เราทํำนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นทางให้ ก็จะให้เราพ้นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วมันก็จะเกิดผลขึ้นมาถ้าเกิดผลนั่นดับเป็นทางเป็นทางจะให้ใจของเราหลุดพ้นจากทุกข์ได้ทุกข์ในที่นี้หมายถึงพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะไม่ใช่พ้นทุกข์ธรรมดาธรรมดาทุกข์ธรรมดาธรรมดาที่มันมีมันเป็นอยู่นะั้ไม่ใช่หรอกแต่นี้ต้องพ้นจากชาติชลาพยาธิมรณะ ชาตมันทั้งเกิดเป็นมนุษย์แต่สัตว์ทั้งหลายเวลาความแก่ก็นก็ความตายต้องพ้นจากอันนั้นเมื่อพ้นจากอันนั้นน่าจึงขี้ว่า น, นี้ผ่านจึงเข้าถึงนิพพานหมายถึงใจใจเข้าถึงไม่ใช่อื่นไกลเมื่อรคฟังแล้วว่าเมื่อเราสามารถสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้น ขึ้นมาในจิตแล้วเมื่อใดกันน้่นล่ะมันมันเป็นทางน้าจิตให้หลุดพน้นให้วางขันฮะขันห้าที่ใจของเราอาศัยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานใจวางขันห้าขันแต่ว่าต้องอาศัยขันห้าแต่ ว, ว่าวางไว้ตามสภาพนี่ไป่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเนะ่ยแต่ว่าต้อง ละถอนปล่อยวางด้วยความรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็วางไว้ตามสภาพ อ, อย่างนั้นทั้งที่ว่าละถอนปล่อยวางสกายทิฐิซึ่งเป็นองค์ของพระอริยบคคลชั้นต้นอโสดาบันละสังโยชได้สามกายทิธิวิจิกริชัสีรพัตตาปรมาสสามอันกายทิธิหมายถึง การยึดถือรูปบางกายขันห้านั่นแหละถต่ใจยังยึดยังถือใจนั้นยังเป็นอันเดียวกันขับขันห้ายังเป็นเดียวกันเดียวกันกับเวทนากับสัญญากับสังขารกับวิญญาณอยู่นะอย่างนั้นนี่เหมือนยึดถือถต่เมื่อใจสงบแล้วก็ร่างมันเปสมาธิมันจึงแยกตัวดีใจเข้าใจเวทนาก็เวทนาสัญญาสังขารแต่ละอันละอันไม่ใช่อันเดียวกัน แต่มันอยู่ที่เดียวกันจึงรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงว่าตัวรู้ดวงรู้คือใจอนะใจของตัวเองเนะี่ยเรียวกว่ารู้จักใจตัวนั้นไม่เกิดดับเป็นตัวที่ไม่เกิดดับไม่เกิดดับคือภายในข้างในคือมันไม่เปลี่ยนไปมันจะมีรู้อยู่นั้นตลอด นี่ถ้าเป็นเวทนาไม่เก็ดับก็ดับยังไงเกิดสุขสุขก็มันเดี๋ยวก็หายแวบไปเดี๋ยวเกิดทุกข์ทุกข์ก็บางที่ก็หายแวบไปกันนี่อ่าทุกข์สุขเปกคขาอย่างมันไม่เพียงนั้นอ่ะสัญญาจําได้ไหมรถก็เหมือนกันจําบางทีจําได้บางทีจําไม่ได้นี่อายุมากก็แต่ยังลืมหม่ยใจสัญญา สังขารคือคิดความคิดความคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดร้อยแปดพันประการมันไม่ได้คิดเรื่องอันเดี้หรอกปัญญาณแปล ว, ว่ารู้แจ้งอารมณ์ใจ น, นั่นแหะไปรู้อารมณ์ไปรู้เวรุกู้เวทนารู้สัญญาดูสังขารู้วิญญาณรู้ไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายก็ไปจดจ่อในสิ่งที่รู้ น, นั่นแหละยึดไปเถืออย่างนั้น นั่นก็เรียกว่ามันยึดถือขันหะหรือเมื่อใจเข้าถึงแล้วสงบแล้วนะก็รู้ตามก็ไมจริงแล้วว่าเอออันนี้คือคือใจอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอนนี่คือสังขารนี่คือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารไม่เกิดดับอันไหนเกิดดับสิ่งนั้นเป็นนิจังทุกขังนัตตา อันไหนที่ไม่เกิดดับคือใจธานรู้ดวงรู้ของเราทุกคนที่มันมีอยู่ในตัวเราทุกคนมันเป็นธาตุรู้เป็นสภาวะที่ไม่เกิดดับอันนั้นอันนั้นก็ต้องมีอยู่ตลอดตัวนั้นนั่นที่จะนำให้เรารุจคนจะไปสวรรค์ก็ไปตัวนั้นจะไปไปนรกกบตัวนั้นจะไปนิพพานกับตัวนั้นจะถึงนิพพานก็นตัวนั้นไม่ใช่เงื่นไก่แต่นี้จะไปถึงนั้นต้องวาง วางของของที่ใจเคยอาศัยเมก่อนคือวางไว้ไม่เอามาใช้คือถ้าใจนั่นน่ะเอาเปรียบง่ายๆเอาถายนอกสิ่งใดที่ใจคุ้นเคยในสิ่งนั้น พอใจในสิ่งนั้นลักในสิ่งนั้นมันก็ติดอยู่ในสิ่งนั้นนั้นแต่ทีนี้นถ้าว่าใจคุ้นเคยแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องในสิ่งนั้นมันก็มันก็ไม่เอามันก็วางได้แงรวมความแล้วจะย่อมัมยถึงว่าเราต้องให้สติสมาธิปัญญาน่เกิดขึ้นรวมแล้วก็คือเมื่อใจส ง, ง, ลงบลงปุ๊บ เร า, าไม่ต้องไปนับหรอกทีนี้มันเป็นแล้วแต่ว่าตามหลักปณิยท่านกนับวัตสติสมาธิปัญญาทาที่หวก่อนี้เขาแยกแยกได้นี้ถ้าใจเข้าถึงแล้วมันก็เข้าไปรวมไปจุดตังมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเลียวเอกตาจิตจิตเป็นมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ใช่อารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งคือไปมีจุด เป็นจุดเป็นหนึ่งรวมกันอยู่ในจุดนะนีถ้าเรารวมปฏิบัติอยู่ข้างนอกอตั้งอยู่ข้างนอกนีกว่าต้องทำให้เป็นหนึ่งทำให้อารมณ์เป็นหนึ่งหรือให้มีจุดหนึ่งอย่าว่าเราตั้งไว้ที่ที่หมายจุดรูนะ้่ที่ดึงมาความรู้สึกไว้ที่จุดรู้ที่ที่สองอกนะ่ะที่หมายเนี่ยดึงความรู้สึกไว้จะจอตรงนั้นรักษาว่าในจุดนั้นเลืออ่อยไปไม่ให้มัน แบบมันไปเนี่ยทีนี้ถ้าใจมันรวมไปรวมลงสงบรวมกันอยู่ข้างในนะอันนั้นจุดข้างในเัาเรียกว่าวังนที่เราตั้งข้างในนี่มันไม่ใช่ผวังทีนี้ไปรวมกันเหมือนแตกว่าเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันไปรวมกันอยู่ข้างจุดข้างในแล้วอันนั้นก็จะมันก็จะเป็นหนึ่งดิเนี่ยก็ใจมันเป็นหนึ่งมันก็มีอยู่หน้าที่ เป็นหนึ่งอะไรเวทนาก็มีนัน่สัญญาก็มีสังขารก็มีวิญญาณก็แต่ว่ามารวมเป็นหนึ่งมันไม่ได้ซ่านออกไปมันอยู่ในจุดเดียวนั้นนีการจะเข้าถึงอย่างนั้นเราต้องการใช้ความเพียรความพยายามเพื่อจะถึงดังนั้นศรัทธาเบื้องต้นนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใจของเราท้อถอย สร้างสรัทธาเชื่อมั่นมือนถ้าเราปฏิบัติถ้าเรากระทำมันต้องถึงต้องเป็นซึ่งพระเดเจ้าสอนพวกเราให้เชื่อกำนะพระเดจจ่าสอนให้เชื่อกรำอย่าไปเชื่อเช่ออื่นคือให้เชื่อการกระทำเชื่อการประกอบแล้วการกระทำแล้วการปฏิบัติเนี่ยพระเดจจ่าวางหลักว่ามัชชิมาปฏิปทาให้ปฏิบัติตามสายกลางให้เป็นการคำว่ากลางในที่นี้ ก็ต้องหนุกกาแะเทศะของเราเองนะปกติที่เราเราทำกันที่พาถ้ำก่อนอนอนแล้วหอสมพันธุ์ตรงบนไม้หรือหอยผสมพนธุเป็นอากาศเวลายเย็นนี่ปกติท่านจะต้องทำถ้าผู้ว่างกนจะทำสามครั้ง ถ้ากลางวันแล้วก็ตักะบายสองโมง่าเ้าที่นั่งภาวนาจนถึงสี่โมงสองชั่วโมงไหนเธอรวมใจของเราให้เข้าสู่กรรมฐานถ้าสิดที่ตั้ง ท, ท, ท, ที่หมายแล้วเราในขณะนี้เราประกอบฤกษธรรมเราจะไปทอถอย่าไปกลัวกลัวทุกข์ยากลำบากเราตั้งไว้อย่างนั้นทำให้ถงตั้ ง, ต, งตามตามเวลาได้กพมีสัจจะอธิษฐาน ทัดจะแปลว่าทําได้จริง ไ, ไปฐานแปลว่าตั้งไว้ทําสิ่งใไดได้จริงตามที่ตั้งไว้เรียกว่าอาสาจักเราตั้งไว้เวลาไหนเราจะทำหนึ่งถึงเวลาก็เอา ท, ทันทีไม่เกินเยอะถ้าทําสมันเสมออ ย, ย่างมันก็เป็นไปขั้นแรกแปลว่าเรามาตั้งจิตมาขับจิตชั่วโมงเลยขั้นแรกเรานั่ง ก็ฝึกหัดใหม่พอนั่งก็รำบาไม่ให้ใสบายให้กําหนดลมหายใจผู้โทผู้โทรศัพท์ก็ไม่สบายหายใจฝืดหายใจครับเย่าทุก อ, อย่างมันเป็นเหมือนแต่เราก็ต้องทําตามเวลาอาจจะนั่งสามสิบนาทีหรือชั่วโมงเราก็เอาตามนั้นให้มันได้ตามให้มันถึงเวลานั้นแล้วค่อยหยุด แต่เมื่อทำมามากเข้ามาเขานายเข้าหนาเ ข, ข้ามันก็ปรับตัวปรับตัวยังไงเทาน่นนปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเกิดการจากการกระทำํำเรวก็ทําทุกสิ่งตัวยอย่างภายนอกนะ่ะมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาในขณะที่เรากระทํานั้นเหนาภาคปฏิบัติดีกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการกระทําหรือการประกอบ เมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างวิชาชีพที่เขาเย็บปักถักร้อยอย่างต่าง ๆ, ๆนะเก็ต้องทำงานลงไปทั้งหาก็ทำไม่เป็นทำไม่ถูกหรือในะขณะที่เราเป็นเด็กๆ เ, เวลาเราเขียนสื่อเขาให้คหยเขียนกอกอกไกเ่เขียนกอไก่ไป็ขอไข่เป็นอย่างนี้ทั้งหายก็เขียนบ่เป็น สมัยจำผลปอพิคุณสงครามเขาเกณฑ์คนเท่าคนแก่ที่ม่ได้ไม่ได้เหียนหนังสือนำมาเหียนหนังสือเอาพวกครูหนึ่งสอนสอนคือตอนตอนเลิกเลิกเลิก เ, ลกเรียนแล้วเขาก็ให้สอนคนแก่ทีนะโดยมากเขาเช่าพวันหยุดมาสอน เขาก็แน่ให้คนแก่บางคนหนึ่ง ม, มีตาคนหนึ่งก็ลงคนท่าอาอเฮียนเขได้ฟังแกว่าแล้วก็น่าหัวรองแก่แกเขียนว่าก็ไก่กอขกอไข่กอขวดกอควายก็คนกนมีแต่กอของนะไรอก็ขึ้นตอนนั้นะแกจำหัวกันได้แก อ, อย่างนั้น มมกันใช่ตามไปใช่ยอย่างนั้นขอไก่ขอไข่ยังมีมือมีอะไรเปิดหักบอกไปบอกนานข้าวหลังเขาเอ๊ะคนเท่าก็ทําได้จริงๆด้วยนะครั้งแรกไม่เป็นแต่ว่านานข้าวหลังเขามันก็เป็นครั้งแราศัยความจำซะก่อนจําเลยทีนี้วิธีการเขียนทั้งทั้งเขียนทั้งจําด้วยเนี่ยเขามีครูเขามีทีวิธีสอนเขาจึงให้ ว่าตามสูตรกอเอ๋ยกไก่ขอไข่เข้ามาเมื่อสมัยตมาเห็น่กอเอ๋ยกไก่ขอไข่เข้ามาขอขวดน้องทรายข้อควายเข้ามาขอคนโซภาเดินหน้าค้อระคังมาวาดสูตรให้มันให้เด็กน้อยมันจำน่ะมันว่าสัมผัสกันแล้วมันก็มันก็จําได้ง่ายขึ้นพอจําได้แล้วก็ว่าได้จบ ว่าเรียงตามลาดับเขียนมามาถึงขนาดนี้ยล้วมาถ้าจะนึกถึงพยัญชนะจะเขียนก็แค่เป็น้องไล่อย่างนั้นเหมือนกันว่าตามสูตรที่เคยได้จํามานะข้อไก่ขอไข่จะว่าตามขอไก่ข้อไข่เขียนมาจบต้องว่าตามสูตรที่เคยได้เรียนมาก้อเหยื่ออไก่ขอไข่มาหา ข, อขอ้อกดทั้งสายก็ต้องว่าไปอย่างนั้นมันก็เขียนได้ตลอดทุกถึงหอนักลูก สมัยตนี้มายเฮียนตั้งแต่กอไก่ถึงห่อระกุกหรือที่พยัญชนะเฮียนหมดเลยเฮียนพยัญชนะจบแล้วก็เรียนสลับจนจบหมู่ทุกสลัแล้วก็เอาสลับไปผปสมกันกอกผสมสละอะกะกากีกีกกงไปคจะุดท้ก็ไปผันที่เนี้ยใส่ไม่เอกไม่โทไม่ไมตีปตะวาน ถ้าไเรียนอย่างนั้นโดยมากนักเรียนที่เรียนอย่างอ่านหนังสือเป็นหนังสือถูกต้องอักษรต่ำอักษรสูงว่าว่าถูกต้องแต่ถ้าคนไม่ได้เรียนได้ไดใส่ยเอกแท้ๆนะไม่เรียนไม่ถูกว่าไม่ถูกอย่างว่ากอไก่กับขอไข่มันเป็นอักษรคนละแม่บทกัน ขอไข่กับขอควายทีนี่คนไม่เคยผ่านว่ากออ่านขอไข่เป็นขอควายไปเลยอ่านว่าค่าเป็นค่าเลยทังขาและฆ้าเว่าไม่ถูกต้องนั้นนักเรียนสมัยที่มาเรียนกอขอกอกขอไข่จอจันดอเด็กต่อเต่าใบไม้ต่ออ่านต่อมานะแล้วมันเทียนอย่างนั้นมันไม่รู้พยัญชนะ เนื้อหมู่เน็ตไปเห็นมันเห็นไปผ่านไที่โรงเรียนวัฒโนเนีน่เราก็เห็นมันอ่านโรงเรียนวัฒโนมันบ้านัไปอ่านอย่างนั้นเราก็นั่นเป็น ต, ตัวอะไรเราก็อตอเตาใหญ่มันบ่าเหมือนพ่อผมไม่ได้เห็นก็ไม่รู้อันนี้นเปรียบเทียบในเรื่องการฝึกและการทําให้ฟังถ้าเรียนเราเพียงพยายามทําทีละนิดทีละหน่อยทำสม่าเสมอ แล้วมันก็เป็นเกิดความรู้ความเข้าใจในการกระทำนั้ น, น, นที่เราพุทธเจ้าเราที่สอนเอาให้เชื่อกำลมคือเชื่อการกระทำแล้วก็ถือว่าจะเอาดีแล้วเอาชั่วยอยู่ที่เราที่เราจะต้องทำแต่ว่าทึกการไปข้างหน้าก็ว้างไว้แต่แล้วเราจะไปไหนก็ทางไปข้างหน้า ถ้ายัางไม่ขอแต่ไม่พังงมนุษย์อสุขเดคือมนุษย์สวรรค์เราก็บอกเปิดสุรากายสติฐานปีการไม่เอาก็จะไม่ต้องมีเหตุที่ิธีจารก็วางหละ่ะคำไม่ให้ทั้งปัจจุบันทั้งภายหน้าอากทำบุญเพื่อภายหน้าทำบุญเพื่อปัจจุบัน ทำตามพรประจำสมัยนื้อหาทรพย์ินเงินทองหรือเปล่าให้มีความหมันความกรยันหาเงินหาทองต้อจัดเจ็บหอมรอมเน็บเอ ง, งต่างันนี้เป็นธรรมะที่รรพระเจ้าสอนในปัจจุบันปัญภายหน้ากับศรัทธาสามัตาสีและสามัตถาจากะสมาธาปัญญาสมาธาให้ประกอบด้วยศรัทธาสมามัถาทั้งสี่นั้นจะไปไหนอ่ะตายแล้วโบไปดับ เกิป็นมนุษย์ล้เกิดสวรรค์เท่านั้นนะจะไปนิพพานไม่ได้นะไม่ได้ภาวานายเขาว่าใจใจไม่ได้เป็นใจไม่มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมันจึงเข้านถึงนิพพานไม่ได้ใจต้องเข้าถึงมรรคผลนิพพานมันต้องมีศินสมาธิเป็นปัญญาเป็นเครื่องไปเป็นพาไปอันนี้พวกเราปฏิบัติก็เอาทั้งไปนิพพายหน้า ศัทธาสัมปทาศีลาสัมปทาพวกเขาก็ทําอยู่เมื่อมันยังไปถึงนิพพานเขาก็มนุษย์สมบัติสวรรค์ทั้งบมดเขาก็ได้มันไม่ไปง่ายแต่ว่าเขาบอกเอาแค่นี้บอกแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านั้นของเป็นมนุษย์มันก็แก่เจ็บตายสวรรค์ก็แก่เจ็บตายต้องเอานิพพานให้เข้าถึงที่มันไม่แก่ตายเขาต้องการอย่างนั้นทีนี้จะเข้าถึงเนี่นยไหนจะไปปรารถนาเอา ต้องการเอาทำอย่างอื่นเพื่อให้ถึงมันไม่ได้งั้จะทำทานหลายๆราะปัจจาันข้าไปแจาขอมึงบรรลุนิพพานถ้าบอกภาวานาก็ไปไม่ได้อีกโ อ, อ๊ะภาวานาการฝึกหัดอบอรมสติแต่นั่นแหะเมื่อบุญมีบุญอย่างนี้มันมีฐานน้ำมันเด็สร้างสร้างมานะไปฝึกหัดมันก็โดยจะมีปฏิปทาให้บรรลุได้ง่ายขึ้นเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ยังว่าถ้าไม่ฝึกไม่หัดมันไม่เป็นไป เราก็ต้องถือว่าต้องการกระทําต้องการประกอบและในขณะที่เราจะทำํำเราต้องจะให้ใจท้อถอยเรียกว่าศรัทธาให้พี่วายฟังเลยเชื่อแน่วแน่ในข้อปฏิบัติเชื่อแน่วแนในการกระทํานั้นและเชื่อแน่วแนว่าที่ปฏิบัตินี้มันไม่ได้ผิดอ่ะที่เรากระทำคือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิจจาวางไว้นี้แต่ทีนี้ข้อปฏิบัติในฝ่ายภาวนาไม่เนี่ยว่าหลักย่อ สมาภาวนาวิปัสนาภาวนาสมาธคือตั้งจิตดังที่พาธรทำนี่บางที่ก็ว่าคองใจกันอย่างว่ากำหนดลมหายใจพุโทโธพุทโทพุโทโธตั้งจใจอยนี่เป็นองบาลสมธาธเพื่อให้ใจสงบลงสู่สมาธิดําเนินตามหลักอันนี้เมื่อทํ า, า ม, มากเข้ามากข้าใจก็เป็นสมาธิขึ้นมา บางค น, นงพอใจสงบเป็นสมาธิพบวิปัสนาเกิดขึ้นเลยก็มีแต่ว่าถ้ า, ากว่าคนไม่ได้พามัญญาใช้ปัญญามันไม่ไปเกิดไม่ไปเกิดแล้ต้องสร้างปัญญานี่ว่าทิ่ปัศนากรรมฐานนั่นคือหลักนีลนะทางที่ใช่ถึงนะ่าจําเป็นต้องมีทั้งสติสมาธิปัญญาหมายความว่าให้มีให้รู้จักตัวเองคือรู้จักใจตัวที่จะผุดหลุดโอนแล้วก็ ให้รู้จักของจริงไม่ ใ, ใจของเรามันยึดมันเฉเพราะหลักการน เ, เพราะใจนั้นมันยึดถือยึดถืออะไรถือว่ารูปร่างกายนี้เป็นเราถือว่าเวทนาคือสุขทุกข์ที่มันมีในจิตอะว่าเป็นเราถือสังขารคือความคิดความปรุงความแต่งนะว่าเป็นเราถือวิญญาณ การที่ใจไปรู้อารมณ์ต่างๆว่าเป็นเราถือสัญญาความจําได้ไหมายรู้ว่าเป็นเราไปถือเอาบทถูกถือเอารูปเป็นเราไม่จําให้ถือแต่ว่าให้เข้าถึงตัวเราคือเข้าถึงจิตอ่ะให้เอาจิตเอาใจน้วยเหให้เอาจิตจิตมันยังกันสังขารคือคิดคิดบกุงหนึ่งแต่ให้เข้าถึงใจให้เอาใจ จรงแท้ว่าล่าสุตาให้ใจหลุดพดนลดทอนจากความยึดถือจะหลุดจะพ้นได้ต้องรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาดังพระอไพ่บุคคลที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นในุทาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในจิตสังขารนั่นก็คือม น, ษษาานุษย์รัทั้งหลายในโลกนี้ทุกคนเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นจะวิเศษวิโสขึ้นขนาดไหนแก่ตายทั้งนั้น นั่นความเห็นที่ปราผุดขึ้นในจินแตแล้วมันก็เป็นจิงตามนั้นด้วยทีในี้ใจที่มันมันไม่เขเฉนขึ้นาเนยมันก็เป็นหลงถือว่าตัวเองจะอยู่ได้นะจะเอาได้นะี่ก็ไปเกาะนี่ถ้าใจมันเข้าถึงจุดแล้วมันก็ลอยออกขันห้าก็ขันห้านี่ใจก็ใจนี่ใจอ่ะตัวไม่แก่ตายตัวนี้ ตัวที่แก่ตายคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเวทนาก็คือใจนั้นอ่ะไปรู้สึกก็เป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์ถึงเรียกว่าเวทนาสัญญาจําได้เหมือนใครจําอ่ะใจนจั่นแหละจำสังขารต่อมาทั้งใจคิดนึกใจไปคิดอารมณ์สิ่งต่างๆเกิดมีขึ้นแล้วก็ไปคิดไปปรุงไปคิดดีบังคิดไม่ดี อาการที่เอาใจไปคิดอย่างนั้นเรียกว่าสังขารแล้วก็ใจมันเคลื่อนที่ไปจับอารมณ์จับสิ่ ง, งต่างๆนั้นเรียกว่าวิญญาณมันไปจับโดยไม่รู้สึกตัวเลยที่ได้หลงแต่ว่าถ้าใจเข้าที่เข้าฐานแล้วมันมหมายความมันจะไม่ไปคิดไปบูรหี่ไม่ได้จะสอนให้คิดปุงแต่งได้ คิดตามความเป็นจริงเมื่อมัเห็นจริงแล้วมันก็วางทนะันวางตามความเป็นจริงวางไว้ตามความเป็นจริงไม่ได้ไปเอาแจไม่ไปเกาะไปติดไปอยู่กับสิ่งนั้นก็อยู่ที่ใจเรียกว่ารู้อยู่ที่ใจนั่นโดยสมรองที่ว่าที่ท่านว่าให้อยู่ด้วยสติอย่างนี้ก่อนที่บริจาค จ, จะบริาพารพระองค์สั่ง สั่งไว้กับพานนสั่งไว้ท่านทั้งหลายทุกคนนะให้ปากัศสร้างท่พเพื่อตัวเองให้มีที่พึ่งที่สิ่งที่จะเป็นทิพย์คือธรรมะอย่าสิ่งเดินไปที่พึ่งนอกจากธรรมจะมาพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ สิ่งเนั้นมันแก่ตายาจะแบ่งไปพึ่งใคนก็แก่ตายทั้งนั้นหรือมีใจได้นจะรึ่งร่างกายจะเอาใจเนี่อาศัยรูปแล้วักก็ไม่ได้มันก็แก่เจ็บตายวันที่จะไม่พึ่งอาศัยทั้งรูปเราและรูกคนอื่นทั้งทรัพย์ถินเงินทองข้างนอกกับมุก็ต้องไปเออไม่ต้องไปพึ่งอื่นแต่ทั้งนี้มันหมายว่าไม่ห้าอาศัยนะอาศัยใช้ได้แต่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของใช้ จึงให้เพิ่งทําทีนี้เพิ่งทําคืออะไรนะคำว่าทําในทีนี้หมายถึงสมาธิใจต้องได้สมาธิใจต้องมีสติสมาธิปัญญาเมื่อหมอมย่อย ก, ก็คือสติสมาธิปัญญาทาก็ลอมแล้วก็หลอมแล้วรู้อยู่มีความรู้อยู่ ในขณะที่เราเข้าสมาธิรวมลงสูจ่จญโล่พับเป็นหนึ่งเท่าไหร่เียว่าเข้าสมาธิเราเอาใจเข้าสมาธิเป็นหนึ่งรู้อยู่เป็นหนึ่งเนนงมื่อรู้เป็นหนึ่งแล้วของสี่อย่างมันรวมอยู่นะั่นแ่ะเวทนาสัญญาสังขารมันรวมอยู่ในจุดนั้น แล้วจึงกำหนดรู้ก่อนนี่คือใจดวงรู้สภาวะรู้ธาตรู้อันนี้นองนั้นไม่ใช่รู้สึกเป็นสุข ก, ก็ไม่ใช่รู้สึกเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่อันนี้เรานี้แค่เนี้ยแค่รู้กำหนดรู้อา้าวทีนี้ไม่นั่งสมาธิ ก็รู้ใจอีกเหมือนกันแม้แต่อารู้ใจไอ้บทอื่นที่อื่น่ไม่เข้าไปรู้อยู่ในจุดรู้แต่ว่ารู้ใจได้เหมือนกันเรารู้ห่างๆหรือไม่ล้ม อ, อพวกนี้ไม่ลืมจุดรูนะ้นั้น อย้นสบายก็ น, นึกถึงจุดรู้นั้น้วยขอให้ใจเข้าถึงที่ได้รับความสงบมากไปนะมันหากเป็นเองเหมือนเป็นเองไงรับรู้ได้ทั้งนอกทั้งในเหมือนกันหมดเลยทั้งนอกก็รับรู้ข้างในก็น ร, รับรู้ไม่หลงอึงงั้นทุกคนให้มุ่งมั่นปั้นมือจะทำอันนี้ถือว่าอ่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เราจะเพียรพยายามทำให้มันถึง ให้ใจของเรามีสติสมาธิมันจะเกิดขึ้นให้ได้แล้จะเกิดจะมีขึ้นมานะเราต้องเพียรพยายามทําสม่ําเสมอก่อนนอนก็ทําตื่นนอนก็ทําจะอยู่ไหนๆก็ทําทั้งนั้นแล้วทีนี้เวลานอกนั้นนอกเราจะรักษาใจหีเราจะไม่ปล่อยใจจะไม่ลืมใจตัวเองถ้าเราเพียรพยายามทําอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเราไม่ประมาทแล้ว แล้วก็รวมละ่ะเราสร้างบุญสร้างกุศลเราให้ทานให้ศีลรักษาศีลนะ เ, เอาอะไรละ่ะถ้าว่าถึงเหตุแล้วโอ้เราทําบุญได้ให้ทานไปแล้วและ่ะเมื่อเกิดมันก็เป็นอดีตละ่ะก็อย่างมือชา้าหรือพวกเราอาไหวาสรารกาพัดก็แล้วว่าทำบุญ ล, ละทีน่ะเป็นบุญ ล, ละแล้วก็นึกไปเป็นเหตุเท่าที้นทีแอ่นึกขึ้นมอามันก็เกิดขึ้นมีขึ้นในใจอยู่ แต้นี่มันไม่มีไหนตลอดหลายใจไม่มีไหนใจตลอดไปท่านจึงให้เอาใจนะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเกิดจากใจเรานะถ้าเอาหลายใจแล้วก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวให้รู้ตัวอย่าให้สิ่งที่มันไม่ดีในงานไปครอบกรรมนีถ้ารู้อยู่ดวงรู้เฉพาะดวงรู้อยู่แลนะ้วสิ่งที่มันไม่ดีมันอยู่ไม่ได้เหมือนกับ ทานไฟทานไฟแดงโลออย่างนี้ก็ตกลงไปมันไหม่หมดอ่ะใจเหมือนกับมันเข้าเข้าสู่ดวงรู้รอบรู้แล้วล่ะโลภะโทสะโมหะเข้าอยู่ไม่ง่าอยอ่งน้ะแต่และคนละคนนะทุกคนเนบ้าเลยยอมดกิเลสตัวต้นเขาคือโลภะโทสะโมหะ โลภะความอยากได้ความต้องการความปรารถนามันมีอยู่ที่ไหนนอนอยู่นั่นนะโธ่สาความไม่พอใจหงุดหงิดสั้งเกรดคนอื่นเขาหือสิ่งใดเนี่ยไม่พอใจก็เกิดโกรธขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาโมหะ ก, ก็หลงไปตามนั่นนั้นมันมีอยู่ในจิตนั่นแะแต่เราไมนไปกลุ่มละมันหรอกม่ต้องละมันต้อ ง, องนหรอ เอาสิ่งดีๆได้เข้าไปเก็บเข้าไปเสิ่งมันอยู่ไม่ได้ฮะโลภะโทสะ ม, มันอยู่มันไม่ได้เขาเอาสติสมาธิปัญญาเข้าไปเก็บเข้าไปเหมือนกับเราจะล้างโอ่งให้มันสะอาดโอ่งมันสกปรกเหลือเกินเขาก็เทน้ำเข้าไปเทเข้าไปเทเข้าไปมันก็ไปขอกกันเราเอามือขัดขัดเสียห้วเอาสิ่งมาขัดยิ่งก็สะอาดอ่ะ เอาน้ำเข้าไปครั้งแรกมันก็ขุนมัวหน่อยนึงนี่เหมือนกันเมื่อเราตั้งกิจครั้งแรกเมื่อใจมันไม่ได้ได้หลักอะไรพอาตั้งกิจแมันร้อนทันทีเหมือนกับเราเอาน้ําใส่ไปล้างองค์กระโปกอ่ะมันก็ขุนมัวขึ้นมาใจของเรากับมันการพราะว่าโลพระตัวสามตัวสําคัญมันอยู่ตรงนี้พอตั้งลงไป ไปถูกโลพัก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยนึงนี่ถอมว่ า, าไปถูกที่โทรศัพท์ก็โงงกิดขึ้นมาเลยอึดอัดขึ้นมาเหรอไปถูกโดนมาก็สะบักงกสะบังกสะบักงกะงะงะใหญ่แล้วทีเนี่ยเอาใหญ่แล้วอยู่ในนี้ฉะนั้นตั้งจิตให้ดีๆให้อย่าให้ฟังเบื่อตั้งจิตให้มีหลักเรียกว่าตั้งไว้กรรมฐาน อย่างว่าลม ร, รู้กรารหดลมหายใจพุทพโธพุทพโธพุทโธตอนนั้นก็ตั้งจุดทพอตั้งจุดแล้วก็นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธตอนนั้นก็รักษาจิตยังไงเพื่อไม่ให้หลงลมคือจับจุดนั้นให้ดีจับจุดตั้งนั้นให้ดีประคองความรู้สึกว่าในจุดตั้งนี่ยอย่า ห, หลังพังเผยคือจับความรู้สึกของเราไปแปะไว้ในจุดนั้นให้ได้แต่อย่าไปไปเพ่งนะ ปรคองความรู้สึกของเราจบจ่อไว้ตรงนั้นคําว่าเพ่งนั้นหมายถึงส่งไปตามสายตาหนุว่าเราจะดูที่โองอกนี่เพ่งลงไปที่โองอกเลยมอนกับเอาตาเราละส่อง่อยอย่างนั้นเดียวกว่าเพง่งไม่ได้มันลำบากไปเพ่งไม่ได้ถ้าไปเพ่งบางทีก็เกิดอุกขาริวิตขึ้นมาแล้วก็เออกลุ่นนี้ขึ้นมาก็ไปจับอุกขาริวิตเอาอุกขาริวิตทัทีนี ก็ใช้ไม่ได้พระเจ้าไม่ให้เอากอนแรอุคานิมิตธรรมาเคยพาโยมทํานรกสวรรค์มีคาถาให้เขาว่าคาถาเอาผ้ามัตตารมันนั่งผ้ามัตตาแล้วใส่วาคาถาตามว่าคาถาได้รอบแล้วเสร็จเถอะ หลับตาเขาบอกมากตาแล้วมันก็หลับธรรมดาแล้วตอนนั้นก็ให้บริกรมรมเถ่ะไม่กรรมว่าสวรรค์สวรรค์นี่นะไปเข้าสวรรค์เนะนะนี่ยนะสวรรค์สวรรค์สวรรค์เนี่ยต่อมาก็ต้องท่องคาถาตลอดเวลาให้เขานั่งก็ต้องม่อนคาถาจบว่าจบแล้วก็ว่าอีกจบแล้วก็ว่าอีกอยู่างนั้นเอาจนเขาขึ้นคือมันจะสั่นขึ้นมาทัาบบนนั่นแนหะ พะนมมือไว้กสันบางค น, นสันแหงพุทธต่ า, างต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อส่่อต่อ ว, สสว่อต่อเนอต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อตแอต่อต่อต่อต่อต่อต่น่อต่อ ม, ม่อต่อต่อ่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อ่อตนอต่อ่อตอต่่อต่่อตอต่่่ วรรณกรรมสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์เยู่นันอย่างนั้นมันก็มีแสงสว่างวาบว่าบมามันกับไฟตาลอดเนี่ยวาบว่าบมาต่ำตาปังเขาก็ดับมิดไปเลยนี่ิอ่าขนาดก็ลืมตัวไปเลยดิเนี่ยเข้าละทีเนี่ยทำเป็นอย่างนั้นก็เกิดแสงสว่างเห็นอะไรดิมองเห็นเลยมองไปข้างนอกสว่างโลเลย เอาจะดูอะไรทีเนี่ยดูนรกดูสวรรนะค์อย่างนี้นะคนไหนที่ตายไปแล้วเป็นยังไงเห็นหมดเลยเห็นยังไงคนนั้นคนนั้นตายไปอยู่ที่ไหนดูก่อนนะดูไปดูมาเอาเห็นแล้วไงแล้วเป็นยังไงถ้าคนโอ้แกแกก่อนที่แกตายมีลักษณะเป็นยังไงก็มันทายถูกหมดเลยอ่ะก่อนที่เขาจะเอาเอาใส่ยล่องสลอง่ลงแล้วมันเป็น เวลามันจะตายมันเป็นโรคอะไรเนะี่ยมันเห็นหมดเลยเห็นมันแสดงอาการในให้หมดแล้วก็นุ่งเสื้อนุ่งผ้าอย่างเวลาอยู่ในร่องนั้นลองมันเห็นอย่างนั้นเลยอนั้นโบราณนะคติโบราณยังถือว่าเอก่ อ, อนจะตายนะให้นุ่งผ้าดีๆไว้เพื่อจะได้ผ้าดีๆไปด้วยอย่างนั้นนะนั้นมันเป็นเพียงภาพอดีตเท่านั้นนะมันใช่ขวาจริง บางคนเอาบางคนเอาไปดูดู ด, ดูไปมันอยู่ไหนอะ่ะไปเที่ยวหาในนรกก็ไม่มีถ้าเอาไปดูสวรรค์ถ้าไปดูนรกหรือไปสวรรค์ถ้าไปดูนรกขี่รถไปถ้าไปสวรรค์ขี่เครืบินไปไปนรกเอาต้องเศษคาถาเอารถให้เขา นึกคาถาสะรอบหนึ่งแล้วเ อ, าายอย้าไม้อยางรถอ่ะก็ยืนอยู่นั่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอ้ามาแล้วมาแล้วก็ลองเบิกยุดยุศยศเอาขึ้นรถตีนี้ไปใหญ่แล้วทีไปจะไปสวรรคนี่เละขึ้นเครื่องบินหลวงพ่อกะว่าคาถารอบนึ่งก็ได้เครื่องบินมาแล้วบอกว่าเวลามันเป็นยังเป็นยังไงบอกว่าไอ้ทุกครั้งนันต้องมีหลวงพ่อลอยไปตัวอ่ะ จะไปไหนๆก็หลวงพ่อละล้อตามไปว่างั้นเป็นใิมิตรนะทีนี้เอาคนที่นั่งภาวนาเป็นแล้วไปทำมันก็บ่เข้าเหมือนพี่นาว่ไอ้คนที่มีนิสัยถ้าบางคนได้มีนิสัยแข็งตึงเกินไปมันก็ไม่เข้า คนนี้นี่นี่ใสอ่อนเกินไปมันก็ไม่เข้าคนก็เครื่องกลางๆในเชื่อบังไม่เชื่อบังนะโดยมาก ม, มันเข้าได้อันนี้เรียกว่าทำเป็นมีอาจารย์สอนให้ทําให้ว่าคาถาแล้วถ้าทําอย่างนี้แล้วห้ามทําคนเดียวถ้าไปอยู่บ้านมราเคยได้ทำแล้วนะไม่เคยแล้วนะแล้วไปเล่นสวรรค์สสแล้วเอกเข้าแล้วเนี่ยโดดเฮือนเลยทีนะ่ วิ่งก็มาหาอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์อยว่าัก็วิ่งมาหาอาจารย์ที่วัดนะอันตรายเหมือนกันนั้นอีกอีกอันหนึ่งอันนี้พวกอย่างฤาษีดึงดำเขาเรียกว่าใช้มโนยิธิะเขาเรียกมโนยิธิเอาเอาคาถาพผสมพุทธเหมือนพุทธโธเอาพุทธโธกับอกับคาถานึ่งนะเขาใส่กันคาถามึงเา อันย่ออันอย่างอันเงานะมะพัทะแล้วพร้อมทั้งพุโทโธเดี๋ยวพุโทโธทั้งพุโทโธนะมะพระพุโทโธทุตธมพุโทโธพุธโทพธโธนะมะพัธทธะก็บาบริกรรมอย่งนีนะอันนั้นเรียกว่าใช้ทั้งพุททั้งทั้งพรมใส่กันอ่ะแล้วถ้ามันเกิดหรืมีลำไปไปได้เองหนึ่งมันต้องอาศัยอาจารย์เป็นผู้ น, นําำงาน แล้วก็ไปของหลอกทั้งไปของเล่นเป็นแฝงเพงีย ง, งภาพนิดวิไม่จริงแะแต่นะบางอย่างที่มันมีมันเป็นมันก็มันก็มีจริงอยู่บ้างบางอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มันเป็นพยาบาลอยู่ม่คอมิกแกอยากว่าเออยากจะมาเข้าน้นสุขวันไปถามยาย ยายแกน่ะตายไปแล้วก็แกเอาวัชชะตู้เซฟไว้ที่ไหนลูไม่ได้บอกลูกหลานหรจะเข้านรกสวรรค์แล้วก็จะไปถามยายว่างั้นแก็มามาเข้านรกสวรรค์เข้าได้จริงๆด้วยพอเข้าได้จริงแล้วก็เหมือ น, นกับว่าแกได้ไปถามยายพอแกออกแล้วแกก็มาเล่าฟังไปถามยายยายว่าไงยายเออดีแล้วมึงมาก็ดีแล้ว ยายมาได้เอากุญแจไว้แล้วมาเลยบอกยายเอาลูกกุญแจไว้ที่หัวตะเตียงนื้อหนาที่ที่เสามุงนะ่ะที่เป็นหูที่สําหรับใส่เสามุงนะ้งอันเนอะกุแจอยู่ตรงนั้นแนหะวอางั้นเพรามันก็นนออกได้แล้วมึงกลับไปบ้านไปตามหากุญแจก็มียริงๆด้วะตามนั้นนะออืผู้หญิงคนนั้นก็ชื่ออะไรใหญ่แล้วเป็นจริงจัง บางอย่างมัน ก, ก็จะมีจริงอยู่บ้างแต่บางอย่างไม่จริงมันเป็นภาพเท่านั้นหาไปนรกไปสวรรค์ก็เหมือนกันพี่อาจารย์ต้องบอกหาไปดูตรงนั้นดูตรงอย่างว่าไปดูนรกดูอะไรบ้าเอาไปดูลกคนคนไก่ดูที่หาไปไปเนาะมันไปเห็นแล้วมันก็นท่วงเดียโอ้คันว่าคนก็ใบยใจถ้าว่าไก่บ้ใจ ไกลว่ะางกายมันเป็นคนว่ะมันก็ับเขาแต้มโลไปเลยนะดังนั้นเราภาวนาเนาะพัดจริงไม่ให้ถือนมิตไม่เห็นนิมิตไม่เอาใจไปเพ่งดูเนี่นมันจะเกิดขึ้นมาก็ให้ดับแต่ว่าเราภาวนาพระพทธมันอาจจะว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วค่อยกําหนดดวงรู้กําหนดใจแล้วส่งกระแสจิตไปไปยึดสิ่งที่เห็นนั้น ถ้าไปยึดถือสิ่งเลยเดี๋ยวก็ปรกากฏชัดเจนขึ้นแล้วเอาเสียเสียละ่ะใจไม่สงบแล้วทีนีน้ใจก็ไปยึดถือสิ่งที่เห็น น, นะการที่พาทำพาปฏิบัตินี้จึงไม่ให้เห็นอะไรนั้นเห็นโลกเห็นสวรรค์ไม่เห็นดังนั้นให้เห็นตัวเองให้รู้จักตัวรองให้รู้จักใจเพราะว่ากิเลส ท, ทั้งหลายมาอยู่เราพ ป, ป, ปฏิบัติภาวนากันเพื่อละกิเลส เพื่อรักษากายทีทีวิธีกิจฉาเสียบัตตวปานมาตังหักล่ะมิจะไปให้ไผเห็นไปเห็นมันก็ยึกเพิ่มโรภาโทสามโมหะแยกขึ้นเลยใช้ไม่ได้อันนี้เป็นอุบายวิธีสำหรับให้แต่ละคนเราคนนำไปประพฤตปฏิบัติไปใช้นะทุกคนก็ให้ใช้ความเพียรพยายามปฏิบตัติอยู่บ้านก่อนเพียรพยายามภาวนาถึงวันพามาก็ให้ทาให้มันมากหน่อยนึง ก็จะเป็นทางให้เราได้มรรคได้ผลขึ้นมานะทาที่นำมาก่าลทไมต้องของวเวลาลวเรอาอยุติว่าเพกแค่นี้นะ<ด>เอาล่ะเอ า, เอ า, ลเอาอหลักภาวนาที่พวกเราประกอบหรือกระทานี้เป็นหลักปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติเป็นุบายวิธีสำหรับที่จะข้ามพ้นจากชาติทาลาพยาทีิมาแล้วนะนี่พะุทธเจ้าวางห้ ข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความสุขข้างหน้านั้นว่าโดยย่อ ก, ก็มีบุญเกียวัตถุสาบคือธานาใม่ศีลามยและภาวนาใหม่ที่พวกเรา ป, รปฏิบัติเอาภาวนาใหมเน้นภาวนาใหม่ทานาใม่พวกเราก็เอาศีล า, ามยก็เอาและภาวนาใหมก็ต้องเอาและในหลักภาวนาใหม่นี้เป็นการปฏิบัติ หรือเป็นการกระทำให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นไม่ใช่เป็นการทรงจำทรงจำว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นสติเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นจำอย่างนั้นอันนั้นความจำความจำมันก็เป็นทางให้ปฏิบัติ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 เกิขึ้นมา sau, สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาทั้งที่ท่านเหล่านั้นไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้เรียนน่ะแต่ว่าปรากฏผุดขึ้นมาเองผุดขึ้นมาในใจเกิดขึ้นเลยรู้ขึ้นมาเลยถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นผุดขึ้นมาแล้วก็วางมันก็ปล่อยได้ทําไม่เกิดขึ้นในจิตหนึ่งมันวางมัน upload, ปล่อยไม่ได้ ว่าส่วนหยาบของพวกเราทั้งหลายเหมือนกันถ้าสิ่งใดที่พวกเรามองเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ดีมองเห็นด้วยใจของตัวเองนะเราก็ระเวนได้ทันทีไม่ทำละถ้ายังสงสัยว่ามันดีหรือไม่ดียังสงสัยมันก็อยากแกทดลองอันนี้คือหลักคำสอนกุดิจารที่ท่านวางไว้ให้แล้ว คือเป็นภาคปฏิบัติกระทําให้เกิดให้มีขึ้นคือให้ศินสมาธิปัญญาเกิดขึ้นที่ว่าโดยย่อในภาคปฏิบัติเาง่อไหนจะวัดสติสมาธิปัญญาแต่ศิลศินจะมาที่ปัญญานะเป็นปริยตธรรมศินก็หมายถึงสินห้าสินแปดสินสิบสิงร้อหรือ สินของบรรพชิตสินของกระเหัดสินอย่านี้ก็ว่าไปอันนั้นเป็นสิขาสิขาสินสิขาเราต้องสมาทานกันส้าทานเป็นข้อก็แล้วก็รักษากันทีนการรักษาการรักษาข้อห้ามนะแต่รักษากายวาจาและใจ ถือระวังใจไม่ให้มันไปสั่งการกระทัำทางกายและไพูดทางวาจาอาการที่ระวังอย่างนั้นเรียกว่ารักษาศีลท่านนี้การระวังการรักษามันพางพลาดมันผิดได้มันหลมลืมได้แต่ว่าถ้าทานาญแล้วก็ดูจะดีหน่อยนึงก็ยังก็พอคุ้มครองได้ แต่โดยมากข้าใหม่ๆแล้วก็ต้องมันผิดได้จึงรู้อย่างว่าผ้าใหม่บวดไปใหม่นะสิขาบทสองรอยเจ็ดะเอาจะรักษาไห้คุ้มโดยมากกับ ส, สิขาบทที่ที่เคยคชินเช่นว่าจะกินในอย่างทุกขีนตุกอย่างมันต้องให้ประเพณ น, นะต้องมีขนมเอาให้นะอ่าหรือมีฉะนั้นก็ไปนั่งว้ที่ไหนจะไปดึงหญ้าดึงอย่างให้ขาดไั้บดได้ทิ้งทางนั้น ทีถ้าว่ามันไม่คุ้นเคยกั น, กนเวลาอยากจะกินอย่นี้คว้ามากินเลยเนี่ยแล้วจึงหูที่ถ่าออกมันผิดอ่ะแต่เมื่อพราเพิปฏิบัติมานานข้าหนังก็รู้เลยรู้ก่อนแล้วจึงจึงทําอย่างนั้นก็เรียกว่าศีลมารักษาครับศีลนี่นมารักษากายวาจานะหรือไม่ใช่วหรอ เราเอาใจไปรักษาแต่ว่ามารักษาใจแล้วทีเนี้ยเพราะมันรู้ข้อปฏิบัติกันก่อนมีโรคพวกเราปฏิบัติกันก็ต้องก็ทําเพื่อให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็อันดําแรกเนื้อบุญได้แจวข้อแรกได้แจวสอนให้สร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นเชื่อตัวเอง ให้เชื่อตัวเองไม่ไปเชื่ออย่างอื่นนอกจากตัวเองใา้เชื่อตัวเองก็หมายก็ว่าไม่ไปเชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดทายนอกนั้นจะ บ, บ, นนบังบดบดดาลให้อำนาจสิ่งสักดิ์สิทธิ์ต่างนั่นจะมาบนดลบันดานให้เราเป็นอย่างนั้นให้มีอย่างนี้เม้่อใจะอ่อนวอนอํนนานาจอภิเทเจ้าภูตว่าธรรมประสงค์ให้ขอให้ข้าบไปเจ้าได้สติสมาถ้าเป็นอย่างอ้อนวอนอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นแต่เป็นการปลอบโยนใจได้ แต่พุดธอ้อนว่าเหลื่อมนานให้คุณปฏิเจ้าคนมาทําคนประสงค์ขอให้ใจของเขาเ้าใจสงบระงับสะ้ังหมั่นเป็นสมาธิมีความรอบรู้ในของสังขารอย่างนั้ น, น, นคํำอธิษฐานที่มีก็ปเป็นการปลอบโยนใจแท้ไม่ใช่เป็นสิ่งบันดาลที่ให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปตามอ้อนวอนไม่ได้หรืออาศัยสิ่งภายนอกมาบังคับให้เป็นไปไม่ได้ผิดทางทีต้องเป็นสิ่งที่ ที่เกิดมีขึ้นเองปฏิบัติตามหลักแล้วสิ่งเกิดขึ้นภายในมีสิ่งเกิดขึ้นภายในที่ฝึกขัดให้ทําสมาธิฝึกสติก่อนฝึกสติก็หมายถึงฝึกใจสุดใจของเราให้อยู่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวหรือเรื่องอันเดียวอยู่ที่เดียวจุดเดียว <c oughs> นั้นอันดับแรกเรารักษาสติ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 จนก็จะจําจุดนั้นได้ไ ด, ดีเพราะจำจุดนั้นคราวนี้ความรู้สึกก็จะติดต่อในจุดนั้นเรื่อยๆเรียกว่าสัมปัจญะทีไม่เรียกว่าสติไงเรียกว่าสัมปัจญะนั้นหลักการปฏิบัติในในสติปัฏฐานนั้นท่านว่าต้องประกอบด้วยองค์สามหนึ่งอาตาปีแปลว่าความเพียรอย่างเกศถ้าร้อนๆสองสัมปชาโน คือมีสติรู้พร้อมสามสติมาให้มีสติแล้วนึกนึกอย่าให้หลงลืมถ้ามันหลงไปลืมมัก็ดึงเข้ามาอีก <c oughs> นะให้ประคองหลงสามทีนี้ตัวสำคัญไอตัวตัวสติมีหน้าที่จะต้องต้องทํางานทำงานที่จะประครับประคองถ้ามันวิ่งหนีนไปดึงมาอีก งาตาปีนี่เนี่ยตัวความเพียรเนี่ยความเพียร น, นั้นหมายถึงเรารักษาใจของเรานะ่ะไว้ในที่นั้นให้ติดต่อกันไปเรื่อย อ, อ, อย่าให้มันขาดสายเดี <c oughs> ๋ยวก่อนทีนี้อันเบื้องต้นที่จะให้เราขายันเนี่ยที่เราจะให้ใจใสเป็นวายศรัทธาให้เกิดความเชื่อความเชื่อว่าข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัตินี้เราทํำนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นทางให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 ชาติมันทั้งเกิดเปนมนุษย์แต่สัตว์ทั้งหลายเวลาความแก่แล้นก็คือความตายต้องพ้นจากอันนั้นเมื่อพ้นจากอันนั้นได้จึงเชื่อว่านิพพานจึงเข้าถึงนิพพานหมายถึงใจใจเข้าถึงไม่ใช่อื่นไกลเมื่อเราค้นแล้วว่าเมื่อเราสามารถสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้น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 นี่ถ้าเป็นเวทนาเมือเกิดดับเกิดดับยังไงเกิดสุกสุขก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแวบไปเดี๋ยวเกิดทุกข์ทุก็มางทีก็หายแวบไปกันนี่าทุกข์สุขอุเบกขาอย่างมันไม่เพียงนั้น่ะสัญญาจําได้ไหมรถก็เหมือนกันจําบางทีจําได้บางทีจําไม่ได้นี่อายุมากก็แต่ยิ่งลืมใหม่ใจสัญญา สังขารคือคิดความคิดความคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดร้อยแปดพันประการมันไม่ได้คิดเรื่องอันเดียรหรอกวิญญาณไปวารู้แจ้งอารมณ์ใจนะนะั่นแหะไปรู้อารมณ์ไปรู้เวรู้รู้เวทนารู้สัญญาดูสังขารดูวิญญาณรู้ไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายก็ไปจดจ่อในสิ่งที่รู้นะนะั่นแหละยึดไปเถืออย่างนั้น นันก็เรียกว่ามันยึดถือขันหะทีเมื่อใจเข้าถึงแล้วส ง, งบแล้วนะก็รู้ต่างความ่จริงแล้วว่าเอออันนี้คือคือใจอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอันนี่คือสังขารนนี้คือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารไม่เกิดดับอันไหนเกิดดับสิ่งนั้นเป็นนิจังทุกขังนัตตา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 วางของของที่ใจเคยเอาศัยเมืก่อนคือวางไว้ไม่เอามาใช้คือถ้าใจนั่นเอาเปรียบง่ายๆถ้าขายนอกสิ่งใดที่ใจคุ้นเคยในสิ่งนั้น พอใจในสิ่งนั้นรักในสิ่งนั้นมันก็ติดอยู่ในสิ่งนั้นแต่ทีนี้นถ้าว่าใจคุ้นเคยแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องในสิ่งนั้นมันก็มันก็ไม่เอา